ไรความสว่างจากแสงมูดาว์คืนสุดท้ายทฉันมีเธอพรุ่งนี้ก็คงจะแปรเปลี่ยนเป็นเขากับเธอแต่อยากขอแค่ไหน ตอนเป็นเขาที่เข้ามาแทนฉันกล้องเธอนอให้หลับฝันดีให้นาที่ที่ฝันได้สุขใจคงทำให้เธอได้เป็นสิ่งสุดท้ายให้มันมีความหมาย จริงในใจฉันก็อยากชดรังเธอไว้แต่ที่ยอมก็เพราะรักเธออะไรที่เธอมีความสุขก็พร้อมเสมอแต่อยาขอแค่ในคืนนี้ให้การ ตอนเป็นเขาที่เข้ามาแทนฉันกลอมเธอนอนให้หลับฝันดีให้หนาทีที่ฝันในสุขใจคงทำให้เธอได้เป็นสิ่งสุดท้าย มันแทนความหมายว่าฉันรักเธอกลมเธอนอนให้หลักฝันดีให้นาทีที่ฝันได้สุขใจคงทำให้เธอได้เป็นสิ่งสุดท้ายให้มันมีความหมายว่า แทนคำกล่าวลา